เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญละบาสมาชำระใจให้สะหาดโดยสุด เพราะมีศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้ไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพานทำบาปได้ไปนรกได้ไปอาบายเราจึงมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะาดบอสุท ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพราะเชื่อในความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าความรู้จริงเห็นจริงก็คือการตัดสัรู้ของพระพุทธเจ้านี่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัรู้ก็คือกฎแห่งกรรมนะกรรมแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทํำการกระทำนี้มีอยู่สามคือ กระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมกระทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทาไม่ได้หมายความว่าบาปแต่เรามักจะใช้คำ ว, ว่ากรรมแทนคำ ว, ว่าบาปเช่นบุญกรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่ในที่นี้ถ้าพูดถึงกฎแห่งกรรมนี้พูดถึง กฎของการกระทําของกายของวาจาและของใจที่มีไปได้สามทางก็คื อ, คอทําดีทําบาปและทําไม่ดีทําไม่บาปก็กลางกลางไม่ดีไม่ชัว่วผลที่เกิดจากการกระทําก็มีสามประการเช่นเดียวกันทําดีก็คือทําบุญ ก็จะไปสวรรค์ไปพระนิพพานทำบาปก็ไปนรกไปไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำไม่ทำบาปไม่ทำบุญก็เป็นมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือผลที่จะเกิดจากการกระทำการกระทำ คือการนี่แหละที่ทาให้พวกเรานั้นมีความแตกต่างกันเราเกิดมานี้เรามีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีอาการ32ครบไม่เท่ากันมีอายุยาวนานไม่เท่ากันมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดไม่เท่ากัน มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เท่ากันเหตุที่ทำให้เรามีความแตกต่างกันนี้ก็คือบุญหรือบาปที่เราทำกันนั่นเองถ้าทำบุญเราก็มักจะได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสติปัญญาที่ฉลาดมีอวัยวะครบสาสสอง มีอายุยืนยาวนานถ้าทำบาปเราก็จะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอวัยวะไม่ครบ32มีอายุไม่ยืนยาวนานมีความงโง่เขลาเบาปัญญาและมีอายุที่สัน้นนี่คือความแตกตา่าง ระว่าของผู้ที่ทำบุญและทำบาปมีผลต่างกันพวกเราจึงมีความแตกต่างกันว่าพวกเราทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันถึงแม้จะเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามแต่ลูกที่ออกมานี้ไม่เหมือนกันลูกบางคนก็จเจริญก้าวหน้า ลูกบางคนก็มีแต่ความเสือ่อมมีแต่ความถดถอยอันนี้พ่อแม่ไม่สามารถที่จะมอบให้ได้เรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมของลูกที่ทามาในอดีตสิ่งที่พ่อแม่ให้ก็คือรูปร่างหน้าตาให้กําเนิดแต่ไม่สามารถให้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามหรือที่ไม่สวยงามได้ อันนี้อยู่ที่บุญหรือที่บาปที่ทำมานี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะลบล้างได้ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำบาป ก, ก็ต้องไปตกนรกถ้าทำบุญก็ไปขึ้นสวรรค์ไปพระนิพพานอันนี้เป็นกฎตายตัว จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเอามาสั่งสอนให้แก่สารโลกหรือไม่กฎแห่งกรรมนี้ก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมอยู่เหมือนเดิมกฎแห่งกรรมนี้ในสมัยพระพุทธเจ้ากับกฎแห่งกรรมในสมัยนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรมอันเดียวกันไม่มีเปลี่ยนแปลงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปได้ไปนรก ทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไปนิพพานนี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันไม่เห็นกันเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ที่ไปเกิดนั้นเป็นใครนั่นเองเราไม่เคยเห็นผู้ที่ไปเกิดกันผู้ที่เกิดก็คือใจการจะเห็นผู้ที่ไปเกิดได้นี้ต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบ แล้วก็จริญวิปัสสนาถึงจะเห็นผู้ที่ไปเกิดได้ผู้ที่ไปเกิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่มีวันตายมีแต่ว่าจะต้องไปรับผลปุญ ผ, ผ, ผลบาปหรือไม่ไปเกิดอีกต่อไปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์ก็ไม่ต้องไปเกิดอีกไม่ไปหาร่างกายใหม่ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นท่าอาหารหันต์ก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดในภพสูงบ้างต่ำบ้างขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำเอาไว้เวลาตายนี้บุญกรรมจะมาแย่เอาใจที่ไม่ตายนี้ไปสู่ภพถ้าบาปมีกำลังมากกว่าแรงกว่าบาป ก, ก็จะดึงไปให้ไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเทพบ้า ง, ไ ป, ปางไปเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดเป็นพระอริยเจ้าบ้างนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่จะเป็นผู้ตัดสินผู้ที่จะพาเราไปเกิดใหม่ถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญ เมื่อบวกลบคูณหาแล้วบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็ต้องไปเกิดในอาบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบวกลบคูณหาแล้วบุญมีจานวนมากกว่าก็จะไปรับผลบุญรับผลบุญรับผลบาปจนบุญและบาปนั้นมีกำลังเท่ากันพ อ, อบุญและบาปมีกำลังเท่ากันก็ไม่ไปไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรก ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ถ้าสร้างบุญมากกว่าบาปตายไปก็ได้ไปสวรรค์ใหม่ดังนั้นในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ขอให้เราพยายามสร้างบุญให้มากกว่าสร้างบาปแล้วเราจะไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญเราจะขาดทุนเราจะต้องไปใช้บาปในนรกในอบาย ถ้าเรายังไม่สามารถที่เราจะชำระใจของเราให้สะอาดได้บริสุทธิ์ได้ใจของเราก็จะถูกบาปถูกบุญนี่แย่งกันดึงไปทุกพบทุกเชาไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงได้กําจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ใจของเราก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปบาปหรือบุญไม่มีกำลังที่จะดึงใจของผู้ที่บรยสุดไปเกิดใหม่ได้นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่อยู่กับเรามาตลอดเวลาแต่เกากลับไม่รู้จักเรากลับไปรู้จักสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ก็คือร่างกายเรากลับไปหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายแทบเป็นแทบตายแต่รักษาอยางไรมันก็รักษาไม่ได้เพราะร่างกายมีกฎของมันอยู่เขาเรียกกฎของอนิจจงของความไม่เที่ยงของการมีกานเกิดก็ต้องมีการแก่ มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราไปคิดว่าเป็นของเราเราก็เลยต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาร่างกายของเราให้อยู่กับเราไปตลอดแต่รักษาอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถรักษาได้เ<อ>กิดมาทุกคนต้องตายกันไปหมดแทนที่จะมารักษาใจ พราะถ้ารักษาใจได้แล้วจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปมีคนฉลาดเท่านั้นที่จะทําได้ที่จะรู้ได้คนฉลาดก็คือพระพุทธเจ้านี่ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราแล้วพวกเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจเป็นตัวเรา เรากลับไม่ดูแลรักษาใจเรากลับไปดูแลรักษาร่างกายรักษากี่ร่างกายก็ต้องหมดไปทุกร่างกายได้ร่างกายนี้มาเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มารักษาใหม่แล้วก็มาทุกกับการดูแลรักษาไปทุกภพกทุกชาติเราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อมาแบกทุกข์กัน เพราะความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายถึงของเรานั่นเองแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนบอกเราว่าอย่าไปรักษาร่างกายร่างกายนี้รักษาไม่ได้ดูแลมไปตามมรรคภาพแต่อย่าไปทุ่มเทชีวิตจิตใจรักษาเพื่อให้มันอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ให้มารักษาใจที่อยู่กับเราตลอดดีกว่ามารักษาใจของเราให้สงบให้มีความสุขถ้าใจของเราสงบมีความสุขแล้วจะไม่มีความทุกข์แล้วถ้าเรารักษาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ใจของเราก็จะหายหลงจะไม่ไประยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นของใครของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรธิดาของญาติสนิทมิตรสหายเวลาเขาตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าตัวเขาไม่ได้ตายตัวเขาคือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเขาก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือความจริง ถ้าพูดรู้ความจริงแล้วจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกับการแก่การเจ็บการตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามจะไม่เศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นสมบัติชั่วคราวสักวันเงินก็ต้องหมดไปหมดไปก่อนที่เราตายก็ได้ หรือหมดไปหลังจากที่เราตายหรือพร้อมกับที่เราตายไปเวลาร่างกายตายไปทรัพสมบัติเข้าของต่างๆที่เราหามาได้แ้บเป็นท่าตายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้นแล้วนามาสั่งสอนสารโลกสั่งสอนให้ทาบุญไม่ให้ทาบาปให้ชาระใจให้สะอาดโดยสุด เพราะนี่เป็นการกระทาที่จะเป็นประโยชน์กับจิตใจที่จะรักษาให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะทำให้จิตใจมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพวกเรามีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพวกเราก็จะได้ พบกับความสุขพบกับความสิ้นทุกข์นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เกิดมาเป็นชาวพุทธชาวพุทธมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพุทธแท้ต้องต้องศึกษาและปฏิบัติคาสอนถ้าพุทธเทียมนี่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร รู้แล้วไม่ปฏิบัติตาม่างนี้ไม่ใช่เป็นพุทธแท้พุทธแท้จะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสาวกแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกถ้าปฏิบัติตามก็จะเรียกว่าเป็นพุทธแท้ถ้าเป็นพุทธแท้ก็จะต้องไม่ก็จะไม่ไปเกิดในอบาย จะมีแต่เกิดอยู่ในสุกติตายไปกี่ภพกี่ชาติก็จะกลับมาเกิดก็จะไปเกิดในสวรรค์เพราะพุทธแท้นี้ไม่ทำบาสนั่นเองพุทธแท้คือไม่ทำบาสห้าข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดมดเทศเสพสุรายากเหาอันนี้เป็นพุทธแท้ ถ้าพูดเทียมก็คือยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังรักษาปพยัยงประพฤติผิด ต, ตรวเลนียังพูดปลดมดเทศยังเสพสุรายาเราถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุธทธแท้จริงเราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นครูอาจารย์ของเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เราก็จะได้รับอนิสง ได้รับประโยชน์นั้นเป็นเป็นพุทธแท้ต้องทำบุญไม่ทำบาปต้องจำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การที่การทำบุญก็ทำอย่างไรก็คือการให้นี่เรียกว่าทานให้เสียสละทรัพสมบัติของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อควรจะฝึกทำทุกวันเพราะถ้าเรานา น, านๆทำทีนี้จะทำยาก แต่ถ้าเราทําทุกวันเราจะทํำง่ายถ้าไม่มีใครมารับทางรับบุญจากเรา<ๆ>ก็ให้เอาเงินนี้ที่เราจะทําบุญนี้ใส่กระปุกไว้ทุกวันเอาเงินที่เราจะใส่บาทนี้ใส่กระปุกไว้วันละห้าบาทสิบบาทใส่ไปทุกวันทําให้ติดเป็นนิสัยแล้วพอมีเวลามาวัดก็เอามาถวายวัด อย่างนี้เราจะได้ทำบุญทุกวันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะรักษาสินไม่ได้ผู้ที่รักษาสินได้ในี้ใจจะต้องเสียสละใจต้องมีความเมตตาถ้าไม่มีความเมตตาไม่เสียสละใจจะโลภจะอยากได้แล้วก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาสินได้อยากจะรวยอยากจะมีทรัพย์มากๆ เวลาทำมาหากินก็ต้องโกหกหลอกรวมต้องโกถึงจะได้เงินมากมากแต่ถ้ามันทำบุญอยู่ทุกวันเวนลาหะ5บาท10บบาทหรือร้อยบาทก็สุดแท้แต่ฐานะทำไว้ทุกวันถ้าไม่มีคนมารับ mm hmm. เงินของเราเราก็ใส่กระปกเอาไว้แล้วเวลาเราไปวัดหรือว่ามนเวลา เราอยากจะทำบุญที่ไหนเราก็เอาไปทำบุญได้จะทำบุญกับวัดก็ได้จะทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้กับปอแต๊ดพื้นก็ได้กับร่วมกระตันอยู่ก็ได้กับโรงเรียนก็ได้กับใครก็ได้ขอให้เราได้ทำกันแล้วกันอย่าไปอ้างว่าวัดมีเงินมากแล้วมีคนมาทำบุญมากแล้วถ้าอ้างอย่างนี้เราจะไม่มีวันได้ทาบุญ เราอย่าไปมองว่ามีการทำบุญมากแล้วแล้วเรากวรจะมองว่าเราได้ทำบุญบ้างหรื อ, อย่างอันนี้สำคัญกว่าเพราะถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไม่ได้รับผลบุญแล้วเราก็จะทำบาปมากกว่าจะทำบุญและพอเราตายไปเราก็จะต้องไปอบายไปนรกแต่ถ้าเราทำบุญอยู่ทุกวันนี้เราจะทำเราจะทำบาปยาก ก็เราจะมีความเมตตาเราจะไม่ชอบเดียดเบียนผู้เราก็จะทาถูกศีลถูกธรรมไม่ทำบาป ท, ทำกรรมกับใครทำแต่บุญพอเราตายไปเราก็จะมีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราไปสวรรค์สวรรค์ก็คือความสุขความสงบ ข, ของใจนี่เอง หรือการได้เสพได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีงามต่างๆเช่นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันดีนั่นเองสวรรค์ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันดีนรกก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันร้ายถ้าเราทำความดีอยู่เรื่อยๆใจก็จะผลิตแต่เรื่องที่ดีให้เราได้ชับได้ได้ได้ชมได้สัมผัสถ้าเราทำแต่เรื่องที่ไม่ดีทำบาปทำกรรมอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะผลิตเรื่องที่ไม่ดีให้เราได้ชมได้สัมผัสกันนี่คือความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วด้วยความเมตตาสงสารแก่สัตว์โลกได้นำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่เชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลดีได้ไปเกิดในสวรรค์บ้างได้ไปเป็นพระอรหันต์บ้าง ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะใจที่ไม่เชื่อความดีเป็นใจที่ชอบทำบาปอยู่นั่นเองชอบทำบาปชอบทำอะไรให้แก่ตนเองไม่ชอบทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะคิดว่าการทำประโยชน์ให้กับตนนี้เป็นความสุขแต่ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนี้ เกิดจากการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมากกว่าเวลาทำประโยชน์ให้กับเรานี้เราจะสุขเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วก็จะเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเราอยากจะได้อะไรพอเราไปซื้อมาเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเราพอเห็นของใหม่มาก็อยากจะได้ใหม่อีกแล้วแต่ถ้าเราไปซื้อของแล้วเอาไปให้คนอื่นอย่างนี้เราจะมีความสุขมากกว่า แล้เราจะไม่ได้อยากไม่อยากจะได้ของใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ทำให้กับเรานั่นเองเราทำให้กับผู้รู้ทำให้กับผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขใจอิ่มใจทำให้กับเราแล้วเรากลับจะมีความหิวใจเพิ่มขึ้นไปอีกนี่คือความจริงเราจะมีข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองเพราะว่าไม่ว่าเราได้มามากน้อยเพียงไร เราก็ยังหิวยังอยากได้ใหม่อยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนั่แต่ถ้าเราทําบุญทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราจะไม่อยากได้ของใหม่เรากลับอยากจะให้ของผู้อื่นมากขึ้นไปได้เรื่อยแล้วเราก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยการไม่มีอะไรเหลืออยู่นี้อย่าไปคิดว่าเป็นความทุกข์ถ้าเรา ตั้มใจที่อยากจะอยู่แบบไม่มีอะไรเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะเราจะไม่มีภาระกับข้าวของต่างๆเราไม่ต้องมาทุกข์มาห่วงกับข้าวของต่างๆที่เรามีอยู่และเวลาข้าวของต่างๆจากเราไปเราก็จะไม่ต้องมาเสียใจเหมือนกับคนที่ยังอยากให้ข้าวของเงินทองอยู่กับไปอยู่กับตนไปเรื่อยๆ การมีข้าวของเงินทองมีอะไรนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขเพราะมีแล้วก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นยึดติดว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็อยากจะให้อยู่กับเราเปนานๆอยากจะให้ดีไปนานๆพอไม่ดีหรือพอไม่อยู่เราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะไม่มีอะไรจะเสีย ไม่มีอะไรจะจากเราไปเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลาตายจากไปก็ตายอย่างสงบ ต, ตายอย่างสบายคนจนนี้ถึงตายสบายกว่าคนรวยคนรวยอาจจะตายสบายทางร่างกายมีอยู่มียามีหมอมารักษา แต่ใจนี้เครียดใจนี้ทุกข์เพราะเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองที่หามาแทบเป็นแทบตายแต่คนคนจนนี้ตายอย่างสบายใจเพราะไม่มีสมบัติอะไรจะต้องมาเครียดด้วยมาต้องมาเสียดายด้วยแต่อาจจะทายอย่างทรมานหน่อยคือไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอมาดูแลรักษาแต่อาจจะทรมานน้อยหน่อยเพราะตายเร็วขึ้นคนรวยอาจจะตาย ช้าหน่อยอาจจะต้องทอรมานมากกว่าหมอจะพยายามรักษาอย่างเต็มที่ถ้ามีเงินจ่ายเขารักษาไม่หายก็พยายามจะรักษาเพราะได้เงินแต่ถ้าคนจนนี้เขาไม่รักษาเขาส่งกลับบ้านทันทีตายเร็วสองสามวันก็ตายคนรวยนี่อาจจะตายสองสามเดือนก็ได้ถึงจะตายดังนั้นอย่าไปหลงกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เก็บไว้พออยู่พอกินก็พอแล้วที่เหลือเอาไปทําบุญถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปหาเงินมาทําบุญเพราะการทําบุญให้ทาง น, นี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ให้เราไปหาเงินมาทําบุญให้ทางให้เราทําบุญให้ทางกับเงินทองที่เรามีเหลืออยู่ที่มีเกินความจำเป็นเกินความต้องการของเราอย่าเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นภาระกดดันจิตใจ จะทำให้จิตใจของเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเอาเงินทองนี้ไปทำบุญสังเกตดูใจเราจะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มาทำบุญทุกวันนี้เห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเวลาใสบาตนี้เขายิ้มย้มแจ่มใสหน้าตาเขาไม่เครียดคนที่เครียดก็คือคนไม่ทำบุญคนที่หาเงินเนี่ยเครียดหาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที นี่คือลึกความจริงเรื่องของใจที่เราไม่รู้กันเรามัวแต่ไปดูร่างกายไปมัวแต่ดูสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปหลงที่ว่าได้มามากๆแล้วเราจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วเรากลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดขอให้เราพยายามทาบุญอยู่เรื่อยๆหัดทาบุญไปเรื่อยๆ อ, อย่านานๆทาที ทำทุกวันมันถึงจะได้ผลนานๆทำทีนี้จะไม่รู้สึกอะไรถ้าเราทำทุกวันนี้เราจะรู้สึกพอวันไหนไม่ได้ทำนี้เราจะรู้สึกขาดอะไรไป ท, ทันทีคนที่เคยใส่บาตรทุกวันนี้พอวันไหนมาไม่ทันพระนี้เขาจะต้องขับรถตามพระตามไปใส่บาตรให้ได้เพราะเขาเหมือนกับว่าเขาขาดอะไรไปเวลาเขาทำแล้วเขามีความสุขใจ พอไม่ได้ทำแล้วรู้สึกว่าขาดความสุขใจไปดังนั้นเวลาทํามญ น, นี้ขอให้เรามองที่ใจเราเป็นหลักมองที่ความสุขใจเราเป็นหลักอย่าไปมองว่าทำแล้วเราจะได้ถูกรตเตอรี่ทำแล้วเราจะได้เงินได้ทองมาเพิ่มมากขึ้นทำแล้วจะมีคนชมเรายกย่องเราอันนี้ไม่ใช่ผลที่เราต้องการเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ทำแล้วถ้าเราทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเราจะได้ความสุขใจขึ้นมา ท, ทันทีทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขนี่คือการทําบุญต้องอยู่ตรงนี้ถ้าใจเรามีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์แล้วเป็นเทพแล้วเป็นสวรรค์เป็นเทพตั้งแต่อย่างไม่ตายร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพร่างกายเป็นมนุษย์ แต่กลายเป็นพมกายเป็นาพราะอริยเจ้าขึ้นมาแล้วเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าใจของพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายตั้งแต่ตอนที่ตัสรู้อยู่ใต้ขวนต้นโพนั้นใจของพุทธเจ้าที่เป็นพระ พ, พุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นดินน้ำลมไฟที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป แต่ใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีวันเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นไปตลอดเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะเป็นไปตลอดแต่ถ้าเป็นเทพหรือเป็นพรหมนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเทพกับพรหมนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรักษณอนิจจ์ไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไป แต่ถ้าเข้าสู่ขั้นพระอริยเจ้าแล้วจะไม่เสือ่อมถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่เสือ่อมกลับมาเป็นเทพเป็นผลมเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพระรสกิทาคามีอนาคามีพระอหรหันต์ก็เช่นเดียวกันจะไม่เสื่อมลงมาอีกต่อไปมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดนี่คือเรื่องของกฏแห่งกรรมที่เป็นผู้ชี้ ว่าชะตาของเราจะขึ้นหรือจะลงไม่มีใครวิฤิชีวิตของเรามีแต่การกระทำของเราคือกรรมนี้เท่านั้นที่เป็นผู้ริขิดังนั้นขอให้เรามาทำกรรมดีอย่าทำกรรมชั่วด้วยการทำบุญละบาปและทำละใจของเราให้สะอาดโดยสุดเถิดแล้วใจของเรานี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียว การสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพง็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขะภะระโดยทั่วหน้ากันเธอ